ทั้งสองคนยังไม่ปราศจากราคะคำว่าเข้าไปแทรกแซงคือเข้าไปข้างในคำว่านั่งความว่าในเรือนใหญ่ภิกษุนั่งและหัตถบาทบานประตูต้องอบัตตปาจิตตีในเรือนเล็กภิกษุนั่งล้าตรงกลางห้องนอนต้องอบัตตปาจิตตี